เอ่อเรามีงานทำมีอาชีพกันเรามีงานทํา <c oughs> แล้วมันสนุกก็ไม่อยากให้มันค่ํามันสนุก แต่เมื่อมีงานลาเมื่อไหร่ใครย่อยก็ยังดียังขยันก็ไม่อยากจะกลับบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็เหมือนกันโดยย่อก็ <c oughs> น้อง 3 กิโลเท่าไหร่ก็เราซื้อเท่า 10 บาทไปขาย 20 บาทเป็น ทำหน้าที่ของเขาพวกเราน้อมปฏิบัติได้ก็ให้เหมือนชาวไร่ชาวนา เอ่อสร้างแล้วมันมีใครมาอยู่แล้วก็ไม่ เดินเข้าไปสูงบางเดินชมคงสมัยไปที่แรก พอมันจะสว่างพอเห็นเอ่อได้ตกลง เขาได้ยินเสียงน้ำข้างตกตกๆอ้ารีบลุกขึ้นแต่แต่วันไหนไม่เห็นเสียงใต้เคียงใคร เอ่อ 3:00 น. รถมันติดไฟค่อยๆคาลไปอยู่ขึ้นวิ่งไม่ ไม่เคยไม่อ่าแล้วก็พยายามที่ ก็ป๋าลุกขึ้นมาเปรียบสนุกเนาะไม่ใช่ถือว่า ตกผมตั้งแต่ดึกๆแล้วเออแต่ไอ้ควายเรามันก็เจ็บมันดันแล้วก็ปะควายเราก็เรียกตอกออกฮึฮวก ลูกควายมันดิ้นอยู่นั่นน่ะมันอยากไปนาแล้ว ไปถอยหน่อยถ้าวันไหนอ่าเห็นแสงเงินแสงทองน่ะอุ้ยใจไม่ค่อยดีแต่ <c oughs> อาชีพรับปฏิวัติก็มีนิสัยเหมือนๆกันน่ะแต่หลั่งเพื่อนน่ะรู้สึกว่าไม่ นั่งแต่ต้องต้องควรหนอปฏิบัติธรรมไม่ว่าคนเกลียดขัน <c oughs> ทรัพย์ของเราก็คือสติเนี่ยไปเกียจคร้าน เรานะเห็นใจพัดพา ทกข้องทกหลังทกครั้งไหวมั้ยไม่ได้ทําครัวไหวเนาะอ่าสู้เอาลูก <ไ ว. S 1> ไม่ทำก็โอ้ยพระสบายแท้อยากเป็นพระเอ้ยอยากเป็นผู้ชายที่ทําอยู่ก็ได้ยินบ่ฮะบ่เคยเห็น <c oughs> <c oughs> ไอ้กบตัวนั้นมันอยู่ เดินไปแล้วกลับมาได้เข้าอย่างเงี้ยเลยอืมเลยอยากเป็นพระไว้เราเป็นกบไม่ ตบแหนเด็กเนนต้องฉันที่หลังนะสมัยก่อนสมัยบรรพพ่อเป็นเนนวัดขอไร้ภูเขียวนะพระต้องฉันก่อน เอา <c oughs> กองให้หมาโอ้อยากเป็นหมาดิหมาจะไปเลยเนนมัน มันกินไม่เรียบร้อยแลนก็เตะมาท้องเองป่ะน่ะโอ้ยแต่ว่าหมาดีๆกว่าแน่เอ้า แม้ว่าจะเป็นทุกข์บ้างเดี๋ยวก็มาเกาะ แมงวันตัวนั้นไปกบฝากกบแมงกบก็แลบลิ้นจับแมงวันกินปั๊บนั่นเอง เออไม่ยากเลยแมงยังตัวแมงวันน่ะเราแมงวันมันก็ก็แวบลิ้นตับพี่เดียวจับแมงวันกินเค้าเรียกว่ากบโลกประสาทเออเราเป็นโลกประสาทเหมือนกบหรือเปล่าให้ปฏิบัติแล้วก็คิดโหนคิดติไปโหนไปนี้ จะเป็นผัวอ่าไปเป็นเมียอ่าตานหนมก็อยากมีเมียอ่าวาจิกาหนูก็อยาก รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้เป็นยอดแล้วเป็นยอดของชีวิตแล้วเราเลยสร้างคน ท่านขอให้ใช้วัดป่าสุปปโตเพื่อการนี้โดยตรงอย่า เวลาเราตั้งใจสาธยายธรรมมันก็ฝึกสติไปด้วยมันก็ตามว่าตามไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องไปจับหนังสือค่อยว่า ให้ให้มันไปถ้าไม่เดินไปก็ไม่ได้ตามไปเพิ่มไปว่าเบาๆไปผิดบ้างถูก ฟังที่เราว่านะโมตัชชาเพราะเขาว่าโตหอนอกท้องอู เป็นคนดีต้องการให้มีคนรักคนนับถืออย่างหลวงพ่อ ถามมาปริวัตรกรรมที่นี่พระพ่อก็ตอบว่าอ่า คือรู้จักก่อนน้อมโน้มน้อมอย่าเเย้ยิ่งอย่าขี้โทโสโมโหอย่าบุตรตึงตึงเครียดให้น้อมน้อมทั้ง เราหะต่อก็ไกลจากความ ไอ้เราก็มีสติมีสติถึงก็ไม่หลงพึ่งได้นะ เออแต่ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะก็ตอบ ตถามาความศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อศีลต่อธรรม <c oughs> เรเราก็มีบ่าวลงมาก็เอี่ยมโอ้ลําบากมากทําไมพระพุทธเจ้าเราตามรอยพระพุทธเจ้าอยู่เร มีสติดูกายกายานุปัสสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วไม่ต้องไปคิดหาทางไหนอีกเวทนานุปัสสนาพระพุทธเจ้าก็บอกไปแล้วกิตตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs>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 วันนี้ก็ไม่โผล่หน้าต่อเนาะอ่าญาติโยมอ่าอยู่ดีไม่สุขเหรอปฏิบัติ <c oughs> คน 2 คนมีพี่อยู่หรืออ่านะเดี๋ยวๆเสื้ออีกอ่ารีบคํานวณโอ้จะต้องทําอันนี้ ตั้งใจไว้ตรงไหนก็สําเร็จจริงๆพอเลิกงานปั๊มยงขับรถมาพอดีเออดีเหมือนกันถ้าโยมอ้าวบางทีก็เป็นพ่อกรรมฐานบาง <c oughs> ภาวนาไม่กลัวงานไม่กลัวภาวนา fait pour nouveau faire